विहरति जेतवनी ค, าาคือคืออย่างที่บอกว่าเรื่องเรื่องทานถ้าถ้าเข้าใจเข้าวิจัยได้ได้ทั้งหมด ทีนี้ถ้าพูดถึงทานที่ทานในกุศลถ้าจําแนกอย่างนี้นะว่าจําแนกว่าเครื่องนุ่งห่มดอกไม้ยานพาหนะเครื่องรูปร้ายของหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่างสิบอย่างอันนี้ตามเนยยะพระสูตรท่านเนยยะของพระพิธามก็คือให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทาน ให้กลิ่นให้รสผลพระธรรมอารมณ์เบญานก็เป็นหกในยาพวินัยก็คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มอาหารแล้วก็ยาสี่นะสรุปแล้วก็คือวินัยสี่วินย 4, วันยปิดกสี่พระสูตรสิบพระวิธรรมหกชห็นไหมพระไตรปิฎกครบไหมครบเลยทั้งวินัยแะปิดกพระสูตรทันตะปีดกแล้วพระวิธรรมปิดกนี่ปลาลบทานอย่างเดียวอย่างงี้นะ เหมือนกับเข้าใจาว่าไตวปิฎกเลยแค่ทานอย่างเดียวนี่นะในยะพระวินัยก็เข้าใจในยะพระสูตรสิบอย่างก็เข้าใจในยะพระวิธรรมหกอย่างก็เข้าใจนี่มองเห็นไหมถ้ามองเห็นนี้ก็ฐานก็ชัดแล้วอันนี้เป็นเป็นอมิตสทานทีนี้ทานทั้งหลายเนี่ยเป็นการบูชาหมดไหมการให้ข้าวหนึ่งทัพพีเนะี่ยเรียกว่าบูชาได้ไหมบูชาบูชาใคร อบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์เราบูชาได้ข้าวหนึ่งทภีเนะ่นี่เรามองไม่เห็นว่าเราบูชาเนน่ะเนี่ยถ้าน้อมบูชาอย่างนี้กุศลจะสูงไหมเห็นเนี่ยน้อมบูชาได้ข้าวถวายอาหารเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นหลังกบูชาเลยนี่น้อมอย่างเงี้ยนี่กระทบสังฆรัตนกระทบพระพรัตนตรัยเลยนี่ชัดเจนอย่างนี้ยเลยเออเรา นี่เขาเรียกว่าทีนี้พอน้องบูชาเนี่ยพอข้าวหนึ่งหนึ่งทัพพีหนึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยได้พูดไปแล้วนะปารพบถ้าในยะของพระวินัยก็คืออาหารในยะของพระสูตรก็คืออันนังอันนังก็คือข้าวใช่ไหมก็คือข้าวถ้าในยะพระวิธรรมไงปารพบอะไรสีได้ไหม เสียงได้ไหมกลิ่นรสโหตภะธรรมารมทีนี้ข้าวเราปรบสีบางท่านก็มีสีขาวบางท่านก็มีสีที่ะสีแดงแดงใช่ ไ, ไมปรบสีเสียงจะปารบอย่างไงเวลาทานเข้าไปมีเสียงก็ได้ใช่ไหมหรือปารบจากการที่ท่าน บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยท่านได้กราวพระธรรมได้ไหมัหมเสียงก็ได้กลิ่นมีอยู่แล้วรสมีอยู่แล้วไหมผลิภัณความนุ่มของทักข้ามีแล้วธรรมารมตัววิตามินเนี่ยโอชาข้าวมีโอชาไหมเป็นวิตามินไปนหล่อเลี้ยงกระแสขันของท่านผู้เรากำลังจะถวายน้อมบูชาพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไม แปลว่าเราให้ทั้งรูปเป็นทานเสยียงเป็นทานกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้ทำอารมณ์แต่เราจะเอาอะไรเป็นประธานก็เอานะในขณะที่เอารูปเป็นทานหรือเอาเสียงเป็นต้นเป็นทานนอกนั้นก็เป็นบริวารของรูปรสกลิ่นเสียงเลยก็ว่าแต่เขาน้อมคิดอย่างนี้อ่ะนี่แปลว่ากุศลแข็งแรงไหมเป็นวิจัยยาทานังไหมนี่วิจัยวัตถุทานแล้ววิจัยผู้รับด้วยไหมวิจัยด้วยผู้รับด้วย แล้วก็เจตนาแล้วก็วิจัยเราด้วยนะว่าข้าวนั้นได้มาได้หมดจดบริสุทธิ์ไหมวิจัยทั้งตัวเองว่าโอ้โหเป็นยังไงวิจัยทั้งผู้รับวิจัยทั้งทั้ ง, ท, งทั้งทานนะทั้งวัตถุทานเป็นต้นแล้วก็วิจัยทั้งผู้รับด้วยเอามาน้อมมานึกมาไข่ควรมาวิมาพิจารณ า, ามาละลึกเป็นอะไรเป็นธรรมบูชาได้ไหมทําศีลสมาที่ปัญญาให้เกิดขึ้นจากการจากอามิสบูชาได้หรือไม่ ได้ไม่ได้ถ้าหากให้เป็นปัจจัยถามว่าในขณะที่เราจะให้ในกุศลศีลเดินอยู่ไหมเพราะทานที่มีศีลกํากับนมีผลมากมีอนิสงฆ์มากใช่ไหมพอพิจารณาค่าควรเบ็ดเสร็จอย่างเนี้ยแล้วเอามาคข้ควรบ่อยๆเป็นภาวนาไหมเพราะกุศลจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลจิตที่เกิดขึ้นหลังๆแล้วก็ทวีความเข้มข้นยิ่งๆขึ้นไปเป็นภาวนากุศล นี่ไงภาวนากุศลก็เดินจากการที่ทานนะกุศลเนี่ยเป็นจาคาไหมจาคาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำมาบูชาเดินใจในกระแสขันแล้วเดินในกระแสชีวิตแล้วจากการแค่ข้าวหนึ่งสองทัพีนั้ น, นี่เราเดินไม่ได้ตรงเนี้ยที่ภาวนากุศลเดินไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การที่จะเดินทําให้กุศลนั้นเกิดขึ้นก่อนและวก็หลังๆที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนสามารถกํา จนสามารถเพิ่มเป็นปลาโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิได้เนี่ยมาจากจากทานกุศลถ้าทำได้สิซึ่งจริงๆก็ทำได้ถ้าใครควรดีหรไหมท่านนู้น่วงหรือน้อมนึกใครควรวิจัยเนี่ยก็ได้ทุกคนนี่นี่พอทำให้กุศลเกิดขึ้นภาวนาเกิด อ, อันนี้เป็นการเจริญภาวนาหรือยังเป็นแล้วฉะั้นทานเนี่ยต่ำต้อยไหม ไม่ต่ำต้อยเพราะเราบูชาใครบูชาพระรัตนตรัยต่ำตด้อยได้ไงกระทบคุณของพระรัตนตรัยเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นจึงไม่ใช่ต่ำต้อยเลยยิ่งใหญ่มโหลานด้วยมหาศาลด้วยแล้วกระทบกี่ครั้งนะ่ะดูปริมาณเม็ดบุญน่ะปริมาณเม็ดบุญที่กระทบหนึ่งนาทีเนะี่ยไม่ใช่กระทบน้อยน้อยนะเนะี่ยหนึ่งนาทีถ้าใครคิดทานได้บางคนคิดได้ถึงห้าหนาที ก็ลักนิ้วมือเดียวเนี่ยแสนโกรธมากกว่าแสนโกรธเนี่ยขนาดลองให้กระทบหนึ่งนาทีดิแค่สองนาทีไม่ใช่ให้ถีนธรรมิธาไปกระทบนะให้บุญเน่ยให้เจตนาที่เป็นกุศลน่ยกระทบกระทบลองกระทบมากๆอย่ในพระศาสนาเนี่ยคือคนที่ฉลาดที่นักค้าบุญดีๆเนี่ยโยมนักค้าบุญถ้านักการตลาดเป็นนี่นะ มองอะไรเป็นบุญได้หมดนะเป็นนักการค้าที่ที่ชำนาญที่สุดนะสาวกของพระเจ้าเนี่ยมองอะไรเป็นบุญได้หมดนะคือฉลาดคิดมากจะไม่ให้บาปเข้าสู่กระแทกระแทจิตเลยมองอะไรเนี่ยบุญกระแทกใจได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่มองอะไรเหยังทำได้ไงเนี่ยน่าเกลียดไม่ต้องอันนี้บุญหรือบาป เห็นไหมเนี่ยทั้งๆที่น่าจะได้บุญใช่ไหมมองอะไรทุกอย่างน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่มองอะไรเป็นบาปทุกทีบางคนเคยเป็นไหมไปด้วยนี่โอ้โหเราต้องฟังบาปตลอดเลยน้องฟังเขาไปธรรมาเคยนะนั่งรถไปเอาแล้วเจอย้อมบ่นแตก็บ่นนะขับรถไปเจอตำรวจกิดบ่นว่าตำรวจเจอจราจรด่าจราจรไปเรื่อยแต่ี้ไปไปมาก็รถติดอย่างว่าจราจรก็อามาก็เลยกดไอที่เปิดประตูเรียกมานี่หน่อยที่ เรียกตำรวจมาตำรวจก็มาถามอะไรครับอายอมจะด่าว่าไปนั่งเงียบเลยอย่างี้ไม่เห็นพูดเลยเออท่านทําไมไปทําอย่างนั้นก็บอกเอา้าก็ตอนยอมพูดเน่ยมาเนี่ได้ยินไม่ใช่ตำรวจเราได้ยินนะว่าจะเออบ่นตำรวจประหลาดใช่ไหมพอให้ให้ให้บ่นจริงๆก็ไม่ยอมบน่นนี่ยเป็นลักษณะอย่างเนี้ยว่า วงบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเธอไม่ได้บุญไม่ได้บุญจากการมองไอ้ที่พูดนี้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายไอ้ที่พูดถึงว่าคนที่ว่าตำรวจผู้หญิง <c oughs> แต่ไม่้อผู้ชายไม่ได้บ่นเท่าไหร่หรอกน <c oughs> ไม่ใช่ก็หมายถึงไปกับหลายคนแต่ผู้หญิงขับรถเนี้อเธอชอบบุญ ตรงนี้ก็นั ก, กรณีในลักษณะอย่างนี้ว่าไม่ได้ทีนี้ถ้ามาแยกนะแยกเกี่ยวนี้เรองฐงทานที่เป็นบูชานี่นะเระบูชาพระรัตนตรยนัยสุคสมนัสที่เกิดขึ้นจากการบูชาตัณหาที่ยินดีในโลกิยธรรมทั้งหลายเช่นเราให้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าเราปาถนาแหละปลาถนาโลกิยสมบัติปราถนามนุษ์สมบัติ ไม่ใช่ปรารถนาความเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะสมบัติของความเป็นมนุษย์ด้วยบางคนก็ปรารถนาเทวสมบัติทุกชั้นแล้วก็ปรารถนาสมบัติของของเทวธรรมเทวดาด้วยไอความยินดีทั้งหลายเหล่าเนี้ยตัญหาที่ยินดีในโลกียธรรมนั้นชื่อว่าอัศาธาเป็นอัสาธาไหมยให้ความสุขให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินได้จริงๆริงไหมได้นะใช่ไหมคนที่เขามีทรัพย์คนที่เขามี วัตถุ ก, กามเยอะๆเนี่ยเขาก็ยินดีเขาก็เพลิดเพลินใช่ไหมให้ความยินดีเขาได้ด้วยเขาสะดวกนะเขามีบ้านหลายหลังมีรถหลายหลังมีที่ดินหลายแปลงมีบริวารเยอะอันนี้มองถึงว่าเขาใจสุขสมมั้นั้นไหมได้ได้ความยินดีได้ความเพลิดเพลินทําให้ตัณหาเขาเพิ่มขึ้นได้เยอะไหมเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่แหละฉะนั้นผลของทานกนะุศลจะทําให้เราได้ตรงเนี้ยได้ได้ความยินดีได้ความเพลิดเพลิน นี่เป็นอัสาทะดันั้นอัสาทาเนี่ยทําให้ตัดทั้งหลายติดไหมติดเนี่ยลหลงไหลได้กลืมเลยครับนั้นสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเราต้องการที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มือยาอาหารสรุปแล้วสิ่งที่ให้เราคือให้อะไรให้สุขสมมนัตใช่ไหมก็คือให้เวทนาขัน ถ้าถ้าเรามีที่อยู่อาศัยแต่ให้โทมมาะสเวทนาเราเอาไหมให้ทุกขเวทนาเนี่ยก็ไม่เอาเห็นไหมจจริงสัตว์ปรารถนาสมนะกันฉะนั้นที่ทํามองกันโดยตรงเนี่ยวัตถุนั้นแทบจะไม่ค่อยสำคัญเลยทัย้งไปแต่สิ่งที่สัตว์ปรารถนาคือเวทนาที่เป็นสมานะแล้วดูที่สัตว์โลกนี่เนี่ยเอาความรู้สึกไปไว้กับตัวเวทนา ซึ่งมันสั้นมากมันรวดเร็วอ่ะเร็วกว่าสายฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแปบแป บ, แปบเนี่ยแล้วเราก็ไปยึดไว้จูวเวทนานั้นเป็นของเราลองดูสิแต่อาศัยเวทนามันเกิดดับเร็วไงมันเลยกลายเป็นติดกันเป็นแถวพึชไปอย่างนี้นะศาสตร์นั้นเลยเข้าใจว่าโ อ, อ้เราได้สุขนี่ความหวังของมนุษย์อยู่แค่ตัวโสมะนะตะเวทนานั่นแหละ เพราะมันได้อาหารได้เป็นปัจจัยทำให้ได้สมนัตเวนาเราจึงชอบอาหารเพราะได้ที่อยู่แล้วทำให้ได้สมนัตเวทนาเราจึงจึงชอบที่อยู่เพราะได้เครื่องนุ่งหม่มได้สมนัตเวทนาเราจึงชอบเครื่องนุ่งหม่มแต่ใจจริงของสัตว์ลคือปรารถนาเวทน า, าต้องการรสชาติที่เวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องไอ้ตัวนั้นเ็าเรียกว่าวัตถุ แล้วก็ได้ได้ไ ด, ได้ได้ทําให้เวทน า, าที่เป็นไปกับตันหาความยินดีความเพลิดเพลินได้สวยรสดินคราวของของราคะของความยินดีของความกําหนัดของความเพลิดเพลินทั้งหลายของตันหาเนี่ยมันทําให้เวทน า, าชอบตอนนี้เวทน า, าของศาสทั้งหลายก็เลยมาเกือกกลั่วกับตันหาศาสโลกก็เลยติดเลย ไม่จะติดเวทนาตั้นหาฉาบติดเกวเวทนาเลยพอใจเวทนาก็เลยพยายามจะหาว่าวัตถุที่เกิดได้ดีได้ยาวแล้วเป็นโสมนาสเวทนาจัดก็เลยปราถนาสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วก็ปราถนาเวทนาถามว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมแต่ทุกขเวทนาอย่างมากเลยเราจะมาไหม บอกโหทุกอย่างมากๆเลยว่างั้นเนียแล้วมาฟังก็มีแต่เสียงด่าคือทางทวารตาก็มีแต่ทุกเวนะมองไปที่ไหนก็ไม่น่ามองเลยนี่เนี่ ย, ยทางทวารหูก็มีแต่เสียงอะไรก็รู้น่าเกลียด น, น่ากลัวทางทวารจมูกก็มีแต่กลิ่นเหม็นๆทางทวารลิ้นก็อาหารก็ โ, โหกินไปก็ไม่ได้เรื่องในราวนี่เนี่ยทางทวารกายก็คือหนาวจนจะทนไม่ไหว ทั้งจิตใจก็เต็มไปด้วยความเจ้าส้อยเขาบอกไปไหมได้โทมมานะโเวทนาทุกทวารเลยเนี่ยเอาไหมทางจักขุทวารก็โทมมาสเวทนาทางโสตาก็โทมมาสเวทนาคาณาชิวหากายันเห็นชัดไหมว่าจริงๆจัดป่าธนาเลยโสมมานเวทนาเอาความหวังไปไว้กเวทนาสั้นๆือความหวังของสัตว์มีแค่นี้เองดูสิเนะี่ย ทีนี้พอวัตถุชิ้นนั้นไม่ให้เวทนานั้นเจ็บปวดไหมทีเนี้ยเจ็บปวดเช่นแต่ก่อนคนคนนี้เรามองหน้าทีไรไมันได้สมอนัสเวทนาแต่พอนานเข้านานเข้ากูอยู่ด้วยกันมองทีไรมันทุกขเวทนาเกิดเอ๊ะมันทําไมเปลี่ยนไม่ได้อะวัตถุชิ้นเดียวกันนั่นแหละพอการเวลาเปลี่ยนไปหน่อยพอมองไปมันไม่ให้สโสมอนัสอย่างเดิมแล้วมันให้ทุกข์มองทีไรน้ําตาอยากจะไหลทุกทีเคยเป็นไห ม, ไมเป็นเพราะอะไรอ่ะ เพราะเราหวังเอาความฝังือไว้กับเวทนายอตรงนี้ไงสุขสมณะที่เกิดขึ้นเนะี่ยเป็นอ า, าัศทะทีนี้เตภูมิกะทำธรรมที่เป็นไปในกาลภูมิสารในกาลภูมิรูปภูมิเนี่ยอันเป็นสังขารทุกข์คิว อ, อาทิก็หมายความว่าถ้าเวทนาเหล่านั้นเปลี่ยนอัตเวทนาเหล่านั้นนะเอาเราหวังสุขเวทนาะหวังสมณสเวทนาะหวังอัสาทะ แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปเนี่ยเห็นไหมเป็นอาทีนว่ะไหมเป็นโทษไหมมันเปลี่ยนไปมันแปลไปมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาอยู่แล้วใช่ไหมมันมีความแตกดับเป็นธรรมดามีการทําลายเป็นธรรมดามีความเคลื่อนไปดับไปวิบัติไปเป็นธรรมดาของสังขารธรรมมันเป็นอย่างเนี้ยก็มันเป็นสังขารทุกข์พอสภาพความจริงมันปรากฏมันแปลมันเปลี่ยนไปขึ้นมาเป็นยังไง เป็นอาทีนวะไหมเห็นไหมว่าจริงๆเมื่อหมกมุ่นกับวัตถุ ก, กรรมที่เป็นผลของทานในักกุศลเมื่อได้มาเบสเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆก็ทำไม่ได้ใหม่ๆก็เป็นอัตสาทะแล้วเข้าก็เป็นอาทีนวะอัตสาทะให้อะไรให้ตัญหาอาทีวนะอาทีอาทีนวนะให้อะไรอาทีนวะให้อะไรให้โทมานะให้โทสาอาภิชาและโทมาัะเกิดไหม เ <Good. S 2> อันนี้ใช่มัชิมาปฏิปทาไหมไม่ใช่เลยใช่ไ้ยถ้ามัชิมาปฏิปทาหรือสติปฐานเขากำจัดอะไรเออกำจัดอภิชาและโทมันนั้นเสียได้ในโลกในโลกก็คือในกระแสของชีวิตเนี่ยเขาต้องกำจัดกำจัดแปลว่าเราอย่าไปมีมันใช่ไ้ยหรือยังไง อย่าเป็นวัตถุกรามใช่ไหมตาหูจมูกเดินกายใจเป็นวัตถุกรามไหมมองเป็นวัตถุทานได้ไหมก็ควรขันขันนี้ควรสละไหมกิเลสที่อาศัยขันนี้ก็ควรสละไหมเป็นทานไหมเห็น ไ, ไหมเป็นปริจาคคาวุสขะเป็นปริจาคคาวุสขะควรบริจาค แต่ใช้อะไรบริจาคใช้วิปัสสนาปัญญาระดับปฏิปฏิปฏปฏนิสคานุปัสสนาโน่ น, นวิปัสสนาญาณที่ไปสำลอกใช่ไหมไปสำลอกแล้วก็ไปบริจาคกิเลสแล้วก็บริจาคขันทิ้งเลยสูงสุดแล้วเนะอย่างเงี้ยนะดูทีทานกุศลเนะ่ พูดกันมาอยู่ดีๆเนี่ยจากการให้เพื่อจะหวังทรัพย์หวังอะไรต่างๆแยะๆน่ะเข้าน่ะเข้าทิ้งหมดไหมทิ้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใจหายไหมให้ทานไปเพื่อจะทิ้งทุกอย่างเนี่ยใจหายไหมใจหายเลยใช่ไหมไม่อยากให้เลยใช่ไหมพระพุทเจ้าท่านให้มาเยอะไหมทานดูส่วนผลของทานของท่านเนี่ยตอนนี้ดูสิเนี่ย ที่ก็สร้างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถวายพระเจ้านั้นเนี่ยเขาบูชาพระเจ้านั้นเนี่ยนี่ผลผลบุญของใครเนี่ยผลบุญของพระเจ้าดูผลทานของท่านดูแต่ตัวท่านไปไหนแล้วผลิพานหนีเี้ยงแล้วเพราท่านเห็นเป็นโทษเราทําอย่างท่านได้ไหมตายไปสักตั้งสองพันสามพันกว่าปีแล้วเนี่ยผลของทานยังดูแลคนอื่นได้เนี่ยทําอย่างท่านบ้างสิง อันนี้ตายไปยังไม่ทันตายบางทีหมดแล้วน้อยเหลือเกินผลของทานของเราเนี่ยเหมือนที่ท่านอาจย์มีชัยท่านบอกแจกได้นิดหน่อยหมดซะแล้วออืไม่มีจะแจกเหละเอาอย่างพระเจ้าสิแจกไงก็ไม่หมดอนะ่ะทําอย่างท่านได้ไหมท่านก็ไปจากเล็กๆไหมไปจากเล็กๆที่นี่แหละจากการให้ให้ ให้เข็มให้ได้กล่องหนึ่งนี่แหละขยายไปแบบเนี้ยนะเข้า น, นเข้าปริมาณของทานกุศลมากขึ้นมากขึ้นแต่ใจถ้าน้อมสละตลอดนะคนน้อมสละตลอดเนี่ยผลของทานเนี่ยจะมาเต็มไปหมดไหมพอมองเป็นวัตถุทานเสร็จแล้วเนี่ยใจไม่ติดเลยใช่ไหมก็สละไปเรื่อยเลยสละไปเรื่อยเอาน้ําเก่าออกไปน้ําใหม่เข้ามาไม่ได้สระเข้ามาเลี่ยออกไปแล้วยิปริมาณของ ต้นไม้ใบหญ้าจะเขียวเฉอุ่มทั้งใบไหมทั้งโลกทั้งใบได้ไหม โ, โลกทั้งใบเราแจกษาจ่ายทานได้หมดมองเห็นความยิ่งใหญ่ของทานก็สน้ในสุดจริงก็หันมามองภายในลเลยตอนนี้ยตอนนี้เราเริ่มจะหันมองภายในหรือยังเริ่มจะอยากสลากกิเลสได้ยังตอนนี้ยสลากกิเลสสลากขันเนี่ยนะรีบสลากซ ะ, ะจนกว่าถ้าไม่สลากมันหมดไหมเฉพาะรูปประคัณเนี่ยหมดแต่กิเลสเนะี่ยไม่ยอมหมด มันสั่งสมไปในตำอัจฉริยะสยอยีกเยอะฉันต้องรีบสลากไหมตอนนี้มันยังมีค่าอยู่ตอนนี้ตายังพอสลาดได้ใช่ไหมหูยังพอสลาดได้ถ้าตาบอดแล้วมันใครอยากได้ไหมหูหนวกเขาบอกเอาขอสลากหูแต่หูหนวกอะ่ะเขาก็ไม่เอาของไม่ดีแล้วต้องสลาดของดีๆ ด, ดีให้เขาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็นมาพิจารณาถึงไม่สลาดเขาก็ทําลาย ใช่ไหถ้าถายนอกถึงไม่ให้เขาก็ทำลายหมดไหมอขอพระอาจารย์ช่วยปรนนานแนะนำชี้แนะในการที่เราจะสละกายนี้ขันนี้ในขณะที่เราก็ยังใช้กายนี้ขันนี้อยูอ่ถ้าเราจะคิดในมุมหยาบๆอาจจะว่าเออเราไปสละร่างกายนี้หลังจากตายแล้วเนี่ยให้ที่โรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะ โอกาสมันอีกไกลอ่ะค่ะอ๋อคริสที่มาต้องการจะขับเน้นตรงนี้ก็คือว่าคือเราเนี่ยสละกันข้าพเจ้ามอบกายถวายชีว้เดี๋ยวพระเจ้าอยู่แล้วเดี๋ยวพรทําเดี๋ยวประสงค์แต่เราไม่ได้สละจริงๆเดี๋ยะนทีที่พยายามพูดขับเน้นอยู่ตลอดนี่ก็คือต้องการให้ให้จริงๆเธคือถวายพระเจ้าจริงๆ มอบกายถวายชีวิตเดียร์พระเจ้าใช่ไหมแปลว่าเราบริจาคจริงๆทีนี้ถ้าเราจะถวายพระเจ้าเนี่ยก็ต้องมีข้อมี้ว่าต่อไปก็คือว่าเมื่อเป็นของภาษาสดาแปลว่าเราเป็นทาสของภาษาสดาจริงๆถ้าเป็นทาสของภาษาสดาถ้าภาษาสดาว่าอย่างไรทาต้องไม่ปฏิเสธเจ้านาย ถ้าพระศาสดาบอกว่าให้บำเพ็ญทานกนะุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่เจ้านายคือพระเจ้าบอกเราก็ต้องทำถ้าพระศาสดาบอกว่าราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอหิริกาโนตปาอุทะจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรละไม่ใช่ควรเจริญเราก็ต้องอย่าให้เกิดแช่ไหม อ่าถ้าบอกว่าเออเธอฟังทำต้องเคารพในวัฒนธรรมของเราเนะยคือของพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็ต้องฟังด้วยความเคารพเพราะอะไรเพราะเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทาสของปัญหาเพราะกายและชีวิตนี้เราสละถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วทําได้ไมถ้าอย่างนี้มันชัดนี่คือการปฏิบัติเลยเพราะเราถวายท่านเนี่ยเราไม่ใช่สักแต่พูด แล้วพูดจริงๆเนะแล้วเราบอกต่อหน้าท่านอจริงเนี่ยข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่พระเจ้าเดี๋ยวพระธรรมเดี๋ยวระสงค์<ช>และไม่ได้ถวายวันนี้วันเดียวกลับไปขอคืนไม่ใช่ใช่มไหมนะบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่รุนแรงเหลือเกินเรายอมกลับไปเป็นทาตของกิเลสอย่างเก่าดีกว่าสบายใจใช่ไหมเพราะเราเราเป็นทาตของกิเลส จ, จนเราหงอกกับกิเลสหมดแล้วนะ พอกิเลสแฉมนิดเดียวนะวิ่งกลับบ้านเลยแม่ไปนานยังเมื่อไหร่กลับโอ้โรีบเลยตาลีตะเหลือกลับแล้วบอกเป็นไรลูกเรียกแล้วอยู่ไม่ได้อ็มนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเราเป็นทาสของกิเลสพระเจ้าบอกเอาทําไมเป็นทาสของกิเลสแล้วเป็นทาสพระเจ้าไงเอาแล้วพูดไปแล้วจะถอนคืนไหมส่วนมวนทำว่ากี่ครั้งแล้ว กี่ครั้งน้ําไม่ท่วมแล้วแล้วไม่คิดบ้างหรือมุมเนี้ยว่าเราเป็นทาเพื่เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วหรือยอมสวดเล่นๆที่ผ่านมาถามหน่อยสวดจริงหรือสวดเล่นตั้งใจจริงไหมแล้วถวายจริงๆริงหรือเปล่าแล้วทําไมให้ทีน้ํามีท่าเกิดเราก็บอกจะเป็นทาาของพระเจ้าแต่ทําไมให้กิเลสมาเกิดอยู่ พระเจ้าบอกให้ละหรือให้เจริญกิเลสให้ละกิเลสที่เป็นธรรมที่ควรละควรประหารใช่ไหมทุกเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ควรรอบรู้มารเป็นธรรมที่ควรเจริญนิพพานเป็นธรรมมารที่ควรทําให้แย้งใช่ไหมก็ทาให้ถูกที่อย่าวิปริตในกิจเออภาษาสดาตรัสไว้อย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นทาสของทาง่ทานก็ทําให้ถูกสิได้ดีไหม อัสรุปแล้วตรงนี้ตั้งตั้งหลักตรงนี้ถูกเลยนะนี่นี่ปริจาคไงเพราะเราต้องการที่บอกว่าบริจาคนี้บุญไหมนี่แหละบุญดีกว่าไปบริจาคที่สภากาชาตดไหมดีกว่าเยอะเลยอ่ะบริจาคสภากาชาติต้องรอให้ตายใช่ไหมบริจาค ก, ก็ตามเงื่อนไขก็ว่าไปเพราะเราไม่ยึดติดอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้เราบริจาคยิ่งใหญ่กว่านั้นไหมเราถวายแด่พระเจ้าไปแล้ว คืออาใจมัหมถ้าถวายอย่างนี้ไปแล้วเพราะเพราะเราเราสวดมนต์ไปแล้วหรือไปถึงตอนนั้นเงียบเลยเห็นสวดกันดังแจ๋วแจ๋วเลยเมื่อชะสวดออกมาก็ฟังโอ้ชื่นใจฟังก็ตื่นเต้นโอ้มีคนมีคนถวายพระเจ้าเนี่ยเนี่ยฟังอยู่หน้าตื่นเต้นนะข้าพระเจ้ามอบกายถาวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าใช่พระทาสหาสมีทาส โ, โ, โอ้โห เ, เป็นทาสเลยอ่ะเป็นทาสรับใช้เลยอ่ะยอมเป็นทาสพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์เลยพระพุทธเจ้าเป็นนายเลยโอ้โหแบนั้นนะนายว่ายังไงทาสจะทําตามทําไมถึงยอมพระเจ้าถามเพราะข้าพเจ้าเป็นทาสกิเลสมานานพ้นทุกข์ไม่ได้ ยอมเป็นทาสของพระองค์ต้องการความอิสระเสรีภาพจากกิเลสต้องการความปลอดโปร่งโล่งเบาไม่ต้องการกลับไปเป็นทาสของราคะโทสะโมหิคกแล้วเธอแน่ใจไหมเออแน่ใจพระเจ้าข้ามันแน่ใจอ้องันขอเข้ามากายเยนวาจะโยเจสทำใหญ่เลยนะ พอเสร็จแล้วแบบเสร็จกลับเยออีกแล้วดูเหมืนอมนเราเป็นคนจริงจังไหมเนี่ยถามจริงใถามจริงอะที่นั่งๆั่งกั น, น, นอยู่ทุกคนมีใครไว้ใจได้เพืถามจริงไไว้ใจได้ไหมใช่ไหมเล้อดไอเลยเนาะ เพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆยังไม่ด้วยหลักก็คือยอมเป็นนะ